ท่าน 100 เม็ดต่อเมื่อจุลัยฟังป้าน้อย โดยไร้ 40,000 บาทแต่ 27 ไร่เสดจะ 3 ไร่ให้กับ ที่อยากจะถามว่าคุณจ่าเนี่ยอยู่ที่ <c oughs> ในการก่อสร้างทั้งด้วยสร้างโรงพยาบาลด้วยสร้างโรงเรียน 6 ไร่แต่เวลา 200 ไร่เศษเป็น ไอ้หลวงปู่เอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อล่ะพ่อน้อยก็บอกว่าจ่ายเพราะท่านไม่เร่งรัดท่านบอกโอนจะให้โอนเมื่อไหร่ก็ได้จ่ายสตางค์หมด <c oughs> <c oughs> เพราะว่าท่านจาเพราะนี่ยอมรับนับ แต่ป้าเลิกท่านคุณแม่คุณแม่เจตนาวีรผลบาทแล้วคุณป้าคุณแล้วก็ 7,000 บาท แล้วหลังจากนั้นก็มีคนหลายๆคนมา จะปฏิผังธรรมอาคาร 100 เมตรแต่ความจริงไม่ใช่อาคาร 100 เมตรท่านตั้งใจว่าจะทําปฏิธรรมเป็นเสาตั้งขึ้นสูงประมาณ 1 เมตรใช้เนื้อที่ประมาณ 4 ห้อง 4 ห้อง ทำหลังคามีช่องฟ้าหน้าบันจัวเล็กๆและนอกจากนั้นพื้นต่อไปก็ไม่มีเท่านั้นคิดว่าเงินที่ท่านมีอยู่ 200,000 เวลานี้ 200,000 บาทๆท่านจะพอ จะเป็นเรื่องหนักใจเจ็บพัดที่อยู่ข้างหลังแต่ถึงว่าหลั่น ก็มีคุณนิรัตน์ราหสุระโยทินกับปัญญาครูคืนสุรัตนา ayam ng'Islam that our shepherd majh is sort of too long, whatever the shepherd has been. I'm really aware of the shepherd's shepherd like us, like meείis as the most unlikely as people trees were approved by us here and your shepherdrast��f is the one setting the way we'll call this place, and our shepherd's shepherd on ground to eat this land is the one setting〗marketing of แล้วปู่ก็ 4 เมตรแต่กว้างสักแลแลแล 2 ห้องเท่านี้ก็พอทําพระ 8 ศอกขึ้นแล้วก็ ถ้าเรายังไม่ได้สตางค์เราก็ยังไม่ทําก็หมดพื้นที่ หลวงปู่ใหญ่ท่าน 4 ห้องต้อง 100 เมตรคือ 25 ห้องหรือ 48 เมตรคือ 7 ห้อง ตั้งแปลคานเรียกว่าคาน 100 เมตรทำเสา เมื่อเทพื้นเสร็จก็ตั้งพระพุทธรูปถักเข้ามา 1 เมห้องจากทิศตะวันตกหันหน้าไปทาง <c oughs> หมดสตางค์เมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นได้สตางค์ แต่ทําตามสตางค์สตางค์ถ้าเค้าให้สตางค์มาอีกคําว่าเงินถ้าเรียกสตางค์พระผู้ใหญ่ก็ก่อฝาขึ้นเป็นฝาทึบมีช่องโพรงกลางให้ <c oughs> ทำยอดเป็น 3 ยอดเป็นการบูชาพระไตรสรณคมคือพระพุทธเจ้า 4 ล้านเศษๆท่าน เมื่อท่านสั่งตามนั้น เป็นหลักฐานรักษาของสําคัญของพระพุทธศาสนาไว้หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าๆก็ไม่เหมาะ ฉันจะไม่สร้างไม่ไม่นำท่านแกบอกว่า pega o l y a y t a d a m y a y a p a on o y a h a y a y a l y a y a h y a y a y o h y a t a n you j a g a y a y a y a y a y a r a n y a y a y a y a y a y a y a y a y หน้าตาก็ยิ้มแก้มแจ่มใสดวงตาก็สดชื่นเห็นแล้วก็ชื่นใจหน้าเดิมใสแต่ป้าเองก็ไม่ แล้วคนทุกคนต้องเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นับถือพระพุทธศาสนานะพระทุกองค์ก็ถือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าถือว่าถึงทุกองค์ในเมื่อหลวง และอาคันหลังนี้เป็นกระจกไม่ได้ยังไงพ่อ แต่ว่าคันทรงไทยและคันใหญ่ยังไม่เสร็จเพียงแต่เพียงว่ามีกำแพงเริ่มมีคันทรงไทยคนก็ค่อยทําบุญมาก คือช่างเมตรแล้วก็ช่าง เป็นช่างก่อสร้างอาคารรอบๆไปหอพักหญิงข้างหลังวิหารเนี่ยสร้างพร้อมกันแล้วก็รอบตัวเนี่ยคันสร้างพร้อมกันการสร้างทีเดียวหมดพร้อมกันหลายหลายอย่างก็เป็น อย่างนี้จะมีผลเพียงฉันไม่ทราบฉันทราบแต่เพียงว่าชีวิตฉันเดินใกล้ความตายเข้า ท่านไม่เห็นสังข์คนก่อนพอตั้งใจแล้วอานิสงส์ก็เกิดทันทีแล้วลงมือทําไม่ได้ยังไม่เสร็จอานิสงส์ก็ได้ครบทันทีพอตั้ง ทำเสาขึ้นมาวันหนึ่งหลวงปู่ใหญ่ท่านก็มาท่าน <c oughs> <c oughs> เป็นน่าชื่นใจกับบุคคลบ่เห็นหลวงปู่ของเราก็บอกว่าดีท่านบอกว่าถ้าบังเอิญคนเค้าทําบุญมากกว่านั้นปิดกระจกข้างหลังเสียด้วยนะ การจริงกระจกที่ก็ซื้อมากไม่ได้อันดับแรกจริงๆไป กล่อง 8,500 บาทภายหลังนี่นะอันนี้ซื้อมากต่อมานี้เมื่อหลวงปู่ท่านรู้ราคากระจก ตามกําลังทรั 4 คนกล่องเล็กหรือเอาคนในกล่องใหญ่ 8,500 บาทก็ แต่ 3 คน 4 คน 85 บาทท่านที่มีทุน 2 กล่องมากล่อง 85 บาทของยะน้ํามากมาจากของน้อยเป็นอัน ถ้าหักว่าจะปิดที่จังหวัดเชียงใหม่เค้าก็จบ ปิดเพดานทั้งหมดหลังปิดฝาทั้งหมดก็แล้วกันปิดเสาด้วยก็กราบเรียนถามท่านนะว่ากระจกจะมีพอหรือค่า ได้ก็เงินที่เขาถวายไม่จํากัดประเภทบ้างอย่างนี้ทั้งหมดเรามา ก็แสงไฟฟ้าเมื่อปีที่แล้วมารับต่างจ่ายเดือนสุดท้ายเดือนตุลาคมถึงเดือนละแสน 20,000 บาทจุลัยฟังแล้วก็หูอื้อเอา น้อยกว่า 40% ของปัจจุบันพี่น้องปู่ของเราเห็นถ้าสู้ไม่ ก็เป็นว่าเวลานี้คิด เสาแต่ละต้นมีคนถามว่าราคาเท่าไหร่จึงให้เจ้าหน้าที่คิดทิค่าเหล็กค่าทรายค่าได้ราคาต้นละ 12,000 บาท พอบอกราคา 12,000 บาทก็ปรากฏมีเจ้าภาพเยอะที่มีชื่อติดเป็นแถวก็ยังเหลืออยู่บ้างส่วนที่ยังเหลือก็ไม่เหลือทั้งหมดเวลานี้ก็ทําบุญกันมาที่ยังทําป้ายไม่เสร็จ แม่เต็งไอ้จกเก่าก็ยังชําระหนี้ค้างไม่ค่อยจะ เป็นว่าหลวงปู่ท่านได้กล่าว ก็ 100 เมตรแล้วต่อมาป้า 4 เมตรเป็น 12 เมตรยาวด้าน 108 เมตร คือเกินหัว 4 เมตรเกิน 4 เมตรเป็น 108 เมตรกระจกหัวโซ่หม้อติดบัวแล้ว 2,000 บาท ตัวแม่ว่าเสาต้น 2,000 บาทแม่ สำหรับโคมไฟนี่คุณเจนจันทนาบาทแต่สายคนนี้ขายโคมบาทสำหรับ ในคาหน้ารายเค้าแสนบาทท่านจันทนาก็ขอ <c oughs> คือ 3 แถวนี่ยังขาด 15 ดวงถ้าบังเอิญ 2 ดวงท่าน 13 ดวง 3 แถวแล้วก็ 100 เมตรที่มากฉะนั้นหลวงปู่ข้าง 100 เมตร เป็นบรรดบของท่านจันทนา 32 16 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ท่านสุวรรณ จะแห่รูปหล่อของท่านจันทนาจะจะคนคน 200 คนแห่เต็มเมืองทุกสาย <c oughs> สิ่งโตจะลงจัดการแห่แต่งกันมาจนกว่าจะเข้าวัดวันนั้นท่านสุวรรณวีระผลสามีของท่านจันทนาวีระผลจะทําบุญถวายภัตตาหารแก่ อาราธนาท่านผู้